6. อาติตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจะคลายตนะมูลกะในร้อปอนุจะคลายยตนะของบุคคลใดเคยดับ โสตายตนะของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปชิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานเสื่งกําลังจุติจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่โสตายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและโสตายตนะก็จักดับปฏิ ตัายยตนะของบุคคลใดจักดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุจากขายยตนะของบุคคลใดเคยดับขาดายยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกลาววจรภูมิปถิบัภวิกะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภ <was> ูมิและปริณิพานซึ่งกำลังจุติจกคายยตนะของบุคคลเหล่ <zum gives sti> าน <indo> ั้นเคยดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จะคายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและคานายตนะก็จักดับปติคานายตนะของบุคคลใดละถึงวิใช่อนุจะคายยตนะของบุคคลใดเคยดับ รูปรายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจะ ว, วกรภูมิปชิมพวิกลบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกําลังจุติจะคลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่รูปรายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จะกขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปรายตนะก็จักดับปฏิ รูปายตนะของบุคคลใดละถึงวิชัยอนุจากขายยตนะของบุคคลใดเคยดับมนายตนะธรรมยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิ ทำมายตนะของบุคคลใดละถึงวิใช่จะขายยตนะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในร้อแปดสิบห้าอนุคานายตนะของบุคคลใดเคยดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจวโวการภูมิประชิมภวิกระบุคคลในรูปภูมิ แลบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปายตนะก็จากดับปติรูปายตนะของบุคคลใดละถึงวิชัยอนุคานายตนะของบุคคลใดเคยดับมานายตนะ ธรรมยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและธรรมยตนะก็จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดละถึงวิใช่ยแปดหอนุรูปรายตนะของบุคคลใดเคยดับ มานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดวิใช่ร้อแปดเจดอนุ มนายตนะของบุคคลใดเคยดับธรรมยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปริญิพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและมนายตนะก็จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดวิใช่อนุโลมโอกาส จักขายตนะมูลกะในร้ยแปดบอนุจักขายตนะเนภูมิใดเคยดับอนุลมมะปุกคโลกาดจักขายตนะมูลกะในรยแปดสอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการะภูมิ จากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่โสตายาตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการะภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและโสตายาตนะก็จักดับปฏิโสตายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ โ ส, <Baby> ส, สตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมสส jo ิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายายตนะก็เคยดับ อ, อนุจักขายายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกางมาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ขานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในการนาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและขานายตนะก็จักดับปฏิขานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหม αι? วิใช่ อนุจากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จับดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังเปรินิพานในปัญจะอวการภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปายยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปายยตนะก็จักดับ ปิรูปรายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำเนดอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโอการภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และจักขายัตณะก็เคยดับอนุจ <mas> ักขายัตณะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับมนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กํำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิจักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่มนายัตณะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ และมานายตนะก็จักดับปฏิมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำเนิดอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จากขายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ มนรม า, ายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายายตนะก็เคยดับอนุจักขายายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิจักขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ จากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมยตนะก็จักดับปาฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิและอรูปภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จากขายยตนะไม่เคยดับ บุคคลนอกนี้ผู้อุปบัติอยู่ในปัญจะโวการภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขคลยตนะก็เคยดับจักขคลยตนะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในร้อยเก้าสิบอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำเนิดปรินิพาในกาลมาวจรภูมิคานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปายจตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิคานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปายจตนะก็จักดับปฏิรูปายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ขานายตนะไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและขานายตนะก็เคยดับอนุขานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในการมาวจรภูมิคาในยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุปัตอยู่ในการมาวจรภูมิคาในยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมยตนะก็จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคาในยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูม he ิและอรูปาวจรภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คานายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามวจรภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานายตนะก็เคยดับคานายตนะมูลกระในจบรูปายตนะมูลกระในร้อยเก้าสิบเอ็ดอนุ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 และมะนายตนะก็จักดับปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ มานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายาตนะก็เคยดับอนุรูปายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับธรรมยาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ธรรมยาตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ และอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธา ว, วาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่เคยดับ บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโ ว, วการภูมิและอสัญญสัตตภูมิธรรมยจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายจตนะก็เคยดับรูปายจตนะมูลกะในจบมานายจตนะมูลกะในร้อเกอนุมานายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับธรรมยจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตัววัวการภูมิและปัญจวัวการภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมนายตนะก็เคยดับ ม, มนายตนะมูลกะในจบปัจจกะบุคคล จักขายาตนะมูลกะในรอยเก้อนุจักขายาตนะของบุคคลใดไม่เคยดับโสตายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิโสตายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับอนุจักขายาตนะของบุคคลใดไม่เคยดับคานายตะรูปายตะ มนาม Blood, Atlantic, มนยตนะธรรมยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปติธรรมยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็มิใช่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับอนุฆานยตนะรูปายตนะมานยตนะของบุคคลใดไม่เคยดับธรรมยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิ ข า, ายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมานายตนะของบุคคลนั้นก็ม่ใช่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปัจเนกะโอกาสจากขายตนะมูลกะในร้อเกอนุจกขายตนะในภูมิใดไม่เคยดับปัจเนกะปุขโลกาสจากขายตนะมูลกะในร้อย้าสบห้าอนุ จักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเมื่อเคยดับโสตายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยดับแต่โสตายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริญิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ จักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและโสตายตตตายตคคนะก็ไม่ใช่จักดับปติโสตายาตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จักดับจักขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำเนิดเป็นิพานในปัญจโวการภูมิโสตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายาตนะไม่ใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิอรูปภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายตนะก็ไม่เคยดับอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับคลานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิคลานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ จกักไคยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังเปรินิพานในกามอวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมอิอสัญยสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะ ข, ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายตนะก็ไม่เคยดับ อนุจักคลายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปไปยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิจักคลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปไปยตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังเปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิ จากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปายยตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏติรูปายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังไปริญพานในปัญจโวการะภูมิรูปายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่จากขายยตนะไม่ใช่ไม่เคยดับ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 จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มนายนตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำเนังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิอรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมนายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม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 ธรรมยัจนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิและอรูปภูมิจากขายัจนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ธรรมยัจนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปริญิพาในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิจากขายัจนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและธรรมยัจนาก็ไม่ใช่จักดับ ปติธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จากขายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกลมวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปฏินิพพานในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและคานายตนะก็ไม่เคยดับอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังเป็นริพพะในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมนายตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม วิบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกางมอวจรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ภานายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในรูปราวจารภูมิและอรมูปาวจารภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและภาณายตนะก็ไม่เคยดับอนุ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 และธรรมยตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรร ม, ตมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคาณยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำเนิดปริญิพานในกลางมวจรภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่คาณยตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำเนิดปริญิพานในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและขานายตนะก็ไม่เคยดับขานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในร้อยเก้าสิบเจ็ดอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำานอดอุบัติในสุดท้าวาสภูมิ แ ล, แล si. ะบุคคลผู้อุบัติอย yup> ู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มนายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรนิพาในสุดท่าวาสภูมิและอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมนายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมนายัยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำเนิดปรินิพพานในปัญจโวักราภภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิมนายทะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายทะเนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำเนิดปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิมนายทะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปายทะนะก็ไม่เคยดับอนุรูปายทะนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ ธัรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช uh ่จ huh. ักไม่ด uh ับ huh. บุคคลผู้กําลังปริญิพานในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิ ธรรมยจตณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปายจตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิธรรมยจตนะของบุคค ล, ค ล, เ, รรคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายจตณะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิธรรมยจตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ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 มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริณิพานในสุทาวาสภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมายตระนของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังปริญิพาน ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่มนายัตนะไม่ใช่เมื่เคยดับบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุดทาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและมนายัตนะก็ไม่เคยดับนิโรธวาระจบ